230. สังฆพินเนจีวรุปปาทกะถาว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งจีวรเมื่อสงแตกกันเรื่องสงแตกกัน 376. ภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้เมื่อจีวรยังไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุทั้งหลายที่จำพรรษาแล้ว สงแตกกันคนทั้งหลายในถิ่นนั้นถวายน้ำในฝ่ายหนึ่งถวายจีวรในฝ่ายหนึ่งด้วยกล่าวว่าพวกเราขอถวายแก่สงนั่นเป็นของสงเท่านั้นภิกษุกทั้งหลายในกรณีนี้เมื่อจีวรยังไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุกทั้งหลายที่จําพรรษาแล้วสงแตกกัน คนทั้งหลายในถิ่นนั้นถวายน้ำในฝ่ายหนึ่งถวายจีวรในฝ่ายนั้นเหมือนกันด้วยกล่าวว่าพวกเราขอถวายแก่สงนั่นเป็นของสงเท่านั้นภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้เมื่อจีวรยังไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุทั้งหลายที่จำพรรษาแล้วสงแตกกัน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 คนทั้งหลายในถิ่นนั้นถวายน้ำในฝ่ายหนึ่งถวายจีวรในฝ่ายนั้นเหมือนกันด้วยกล่าวว่าพวกเราขอถวายเฉพาะฝ่ายนั่นเป็นของเฉพาะฝ่ายเท่านั้นภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้เมื่อจีวรเกิดขึ้นแกภิกษุทั้งหลายที่จำพรรษาแล้วแต่ยังไม่ได้แบ่ง สองแตกกันพึงแบ่งส่วนให้ภิกษุทุกรูปเท่าเท่ากัน